นายคุณหญิ ง, งอเนนี้อธิบายละเอียดดีไหมนี่คุณเบญญาฮะในตัวเราเนี่ยทุกๆุกท่านทุกคนมีใจเป็นผู้จะให้ความหวังเรามีความหวังอยู่กับใจของเราเราไม่ใช่เป็นคนสิ้นหวังก็อยู่ในสถานที่ใดก็ตามมีความหวังอยู่ภายในใจประจำตนตเสมอ เป็นเพียง ว, ว่าเราไม่แสดงตัวออกมาให้คนทราบอย่างเปิดเผยฉะนั้นแต่ความในใจของเรามีอยู่ด้วยกันเพราะเราไม่ใช่เป็นคนสิ้นหลังจึงมีความหวังอยู่ด้วยกันแต่ความหวังนั้นอาจจะสำเร็จได้บ้างไม่สำเร็จได้บ้างและสำเร็จตามความหมายอย่างเต็มที่บ้างอย่างนี้เป็นไปได้หลักพุทธศาสนาที่ท่านสอนนี้เป็นศาสนาที่เสริมความหวังของเราให้เป็นไป ได้อย่างใจหมายและให้ความหังของเรานั้นสาเร็จเต็มขั้นเต็มที่ได้โดยไม่ต้องสงมัยเพียงแต่ความหังภายในใจใเฉยไม่มีการกระทําแม้กระทําก็ไม่ถูกตามจุดที่เรามุ่งหมายตามความประสงค์ผิดๆพภาดพาคความหวังนั้นก็อาจพลาดไปได้ผิดๆจากความมุ่งหมายก็ย อ, อมไม่สมประสมหน้าตามใจหมาย เราเป็นผู้มีความมุ่งหวังมีความความมุ่งหมายอยู่ภายในตัวอย่างเต็มใจเช่เดียวกันจึง ค, ควรประพฤติตัวให้เป็นผู้มีความหวังเป็นผู้มีความมุ่งหมายอย่างเต็มใจอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบตนให้เป็นคนดีมีทานชีพภาวนามีเป็นหนักที่จะให้ความหวังแก่เราทั้งปัจจุบันบัดนี้ วันนี้วันหน้าและชาตนี้ชาตหน้าต่อไปเราไม่ใช่เป็นคนศูนย์คนสิ้นคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยไม่ใช่เป็นเหมือนผลไม้ที่ถูกไฟเผาอย่างที่หายปนที่ไม่มีทางเกิดทา ง, งอกขึ้นอีกได้เลยแต่เราเป็นผู้ค้อมอยู่แล้วด้วยสิ่งที่จะสืบต่อ ในภพในชาติให้เจริญหรือให้เสื่อมต่อไปแต่คาว่าสูญนั้นไม่มีความเสื่อมนั้นเสื่อมได้ความเจริญเจริญได้เพราะธรรมชาติคือใจนี้เมื่อมีสินดีและชั่วเข้าเกี่ยวข้องอยู่ย่อมมีความเสื่อมได้ย่อมมีความเจริญได้นับบกปิบัตทั้งหลายท่านจึงสอนให้พยายามหาความดีฝึกฝนอบรมตนในทางดียากลําบากเราก็ทราบว่าลําบาก แต่ลำบากเพื่อความดีความดีนั่นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราไม่หวังถึงจะลำบากมั่งเราก็ทนมิสมก็ว่าเราเป็นผู้ฉลาดจะเอาชนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพื่อความดีขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่เป็นหลักของใจเป็นเครื่องสนับสนุนความมุ่งหมายของใจความหวังของใจให้เป็นเสี่ยมมวยบุ์เป็นลำหนับจนกระทั่งถึงสมบูรณ์เต็มที่ จากการประพฤติความดีทั้งหลาะท่านสัญญาท่บายพอจะเข้ากัเอยตอนนี้จะมีระเอียดนิดหน่อยอท่านบายขันยันขันยันขันยันมันจะ า, ารมองกองารมงัง